สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงแจกสีบัง น, นะครับในเช้าวันนี้ชีวิตเรียชูหนึ่งร้อยแปดสิบหกตอนคาอุปมาเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจตอนที่สี่เรื่องเงินวินาลูกาบทที่สิบเก้าข้อสิบเ็ดถึงข้อยี่สิบเจ็ดกับลูกาบทที่สิบเก้าข้อที่สิบเ็ดจนถึงข้อที่ยี่สิบเจ็ดโปรดฟังขจะนะของพระเจ้าเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินเหตุการณ์นั้น พระองค์ได้ตรัสทำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังต่อไปเ พ, พราะพระองค์เสด็จมาใกล้ยเยรูซาเล็มและเพราะเขาทั้งหลายคิดว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะปรากฏโดยพลันเหตุะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่ามีเจ้านายองค์หนึ่งไปเมืองไกลเพื่อจะรับอำนาจมาครองแผ่นดินแล้วจะกลับมาท่านจึงเรียกทาาของท่านสิบคนมามอบเงินไว้แก่เขาสิบวินารสั่งว่าจงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมาแต่ชาวเมืองชังท่านผู้นั้น จึงใช้คณะทูตตามไปทูนว่าเราไม่ต้องการให้ผู้นี้ครอบครองเราเมื่อท่านได้รับอำนาจครองแผ่นดินกลับมาแล้วท่านจึงเรียกท่าทั้งหลายที่ท่านได้ให้เงินไว้นั้นมาเพื่อจะได้รู้ว่าเขาทุกคนค้าได้กําไรกี่มาก้อยฝ่ายคนแรกมาถูนว่าพระเจ้าค่ะเงินมินาหนึ่งของพระองค์ได้กําไรสิบมินาพระองค์จึงตรัส ก, กับเขาว่าดีแล้วเจ้าเป็นท่าที่ดี พระเจ้าสัตว์ซื่อในของเล็กน้อยจ้ามีอำนาจครอบครองสิบเมืองเถิดคนที่สองมาทูลว่าพระเจ้าค่ะเงินมินาหนึ่งของพระองค์ได้กําไรห้ามินาพระองค์จึงตรัสกับเขาเหมือนกันว่าเจ้าค ง, งครอบครองห้าเมืองเถิดอีกคนหนึ่งมาทูลว่าพระเจ้าข้านีเงินมินาหนึ่งของพระองค์ท้าพระบาทได้เอาผ้าห่อเก็บไว้เ พ, พระาะท้าพระบาทกลัวฝ่าพระบาทด้วยว่าฝ่าพระบาทเป็นคนเข้มงวด ฝาพระบาทเก็บผลซึ่งฝ่าพระบาทไม่ได้隆งแรงและเกี่ยวที่ฝ่าพระบาทไม่ได้หวานพงศ์จึงตรัสต่อบเขาว่าไอ้ข้าชัวช้าเราจะปรับโทษเจ้าโดยคําของเจ้าเองเจ้าก็รู้หรือว่าเราเป็นคนเข่นงวดเก็บผลซึ่งเราไม่ได้ลงแรงและเกี่ยวที่เราไม่ได้หวานก็เหตุไนเจ้าไม่ได้ฝากเงินของเราไว้ที่ธนาคารเราเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเรากับดอกเบีย้ยด้วย แล้วพระองค์ตัสสั่งคนที่ยืนอยู่ที่นั่นว่าจงเอาเงินมินาหนึ่งนั้นไปจากเขาให้แก่คนที่มีสิบมินาคนละนั้นทูลว่าพระเจ้าข้าเขามีสิบมินาแล้วเราบอกทั้งหลายว่าทุกคนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้เขาอีกแต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั้นจะต้องเอาไปจากเขาฝ่ายพวกศักตรูของเราที่ไม่หลองการให้เราครอบครองเขานั้นจงพาเขามาที่นี่ และค่าเสียสอนหน้าเราเห็นไหมครับบริบทเบื้องหลังของพระคัมพีตอนนี้นะครับก็คือตอนที่พระเยซูนั้นยังอยู่ในแคว้นเพเรีท่านทรงท่านทราบว่าลาครัสซึ่งเป็นเพื่อนก็ป่วยหนักนะครับและยอนก็บันทึกถึงเรื่องราวที่ พ, พระเยซูทำให้ลาครัสเปน็นขึ้นมาจากความตายนะครับแต่พวกหัวหน้าบุโรหิตพวกฟริสี กลับเปิดประชุมสภาสแสตนดินซึ่งเป็นสภาของคนยิวเพราะว่าเขาอยากจะวางแผนที่จะฆ่ารพระเยซูนะครับอยากจะวางแผนที่จะฆ่าพราะองค์พระเยซูจึงหลบไปอยู่ในเขต ท, ที่ใกล้กับทะเลทรายหลังจาก ท, ที่ทรงใช้ชีวิตกับพระนักสาวกของพรองค์ช่วงหนึ่งไปแล้วนะครับก็ตรงนั้นก็จะเป็นที่มาของบริบทของท่านผีตอนนี้ครับทีน้องครับเนื่องจากยังไม่ถึงเวลาของพระเยซูพระเจ้าก็ปกป้องไว้พเยซู ต้องวางแผนนะครับในการเข้าเยรูส ل ي ั้งสุดท้ายเพื่อที่โรงจะถูกจับและถูกตึงมม่งเข็ น, นพี่น้องครับมีเจ้านายคนหนึ่งไปเมืองไกลรับอำนาจมาปกครองแผ่นดินเะเยซูทรงอ้างถึงพระองค์เองว่าระเยซูจะเสด็จสู่สวรรค์เพื่อรับอำนาจจากพระเจ้ามาครอบครองอาณาจาักรพันปีของพระองค์แต่ในที่สุดพระเยซูก็จะเสด็จกลับมาโลกทั้งหนึ่ง นะครับถ้าโอมาณี้เจ้านายคนนั้นได้ทิ้งทรัพย์สมบัติของเขาให้กับทาสให้รับผิดชอบเขาก็เลยเรียกทาสมาผิดคนครับให้เงินคนละหนึ่งวินาทีเงินหนึ่งวินานี้เท่ากับหน่วยของเงินตรามีค่าประมาณเท่ากับค่าจ้างแรงงานสามเดือนนะครับค่าจ้างแรงงานสามเดือนนะครับค่าวละสามร้อยบาทเดือนหนึ่งก็เก้าพันบาทนะครับสามเดือนก็คือสองหมืนเจ็ดพันบาทนะครับค่า แต่ละคนต้องใช้เงินที่เขาได้รับให้เกิดประโยชน์นะครับจนกระทั่งนายกลับมาในข้อสิบห้าครับเมื่อนายกลับมาจากการเดินทางก็เรียกคาดมารายงานเกี่ยวกับผลกําไรถ้าคนหนึ่งสามารถทํากําไรจากเงินที่ได้ถึงสิบเท่านะครับเขาก็ได้รับความรับผิดชอบสิทธิอำนาจเพิ่มขึ้นถ้าอีกคนหนึ่งไม่ประสบความสําเร็จเท่าคนแรกแต่ก็ได้กําไรมาครับนะครับห้า อย่างนี้ก็ตามครับมีทาสสุดท้ายก็คือมีทาสคนหนึ่งที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเขาอาผ้าห่อเงินนิดนานเก็บไว้เจ้านายก็เลยถามทาสของเขาว่าทําไมไม่ฝากเงินไว้ในธนาคารเพื่ออย่างน้อยจะได้ดอกเบี้ยนะครับถ้าอุมาเ น, นี้นะครับสรุปคาสอนได้อย่างนี้ครับว่าทาที่เปียซูรด้จัดนะครับประโยชน์ที่โกลงได้ดพูดก็คือทุกคนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมเข้าอีกนะครับทุกคนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้เขาอีกแต่ผู้ที่ไม่มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั้นจะต้องเอาไปจากเขาพระเยซูตัดเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองครับเราเชื่อว่าพระเยซูกำลังตัดว่าพระองค์ประทานความสามารถนะครับนะประทานความสามารถประทานเงินมิณาให้กับเราซึ่งเป็นสาวกของพระองค์ในการประกาศข่าวประเสริฐแผ่นดินสวรรค์จะได้ถายยายออกของประทานแห่งความรอดได้ฝากไว้กับพวกเราแล้วนะครับ พร้อมกับคําสั่งของพระองค์ว่าเราต้องใช้ของประทานนั้นให้เกิดประโยชน์ครับเราต้องใช้ของประทานนั้นให้เกิดประโยชน์แต่ละคนอาจจะเกิดผลได้ไม่เหมือนกันแต่มีบางคนที่มีความสามารถพูดถึงเรื่องของพระเยซูได้ง่ายๆและรู้ว่าจะนําผู้อื่นมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรบางคนอาจจะไม่สามารถนําคนมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้มากนักแต่พวกเขาก็ได้พยายามนะครับพระเจ้าก็เห็นความพยายามของเขาครับคริสเตียนที่ไม่เคยเป็นพยายามเกี่ยวความรอดกับคนอื่น ก็เหมือนกับผ้าที่เอาเงินมินาเก็บไว้จ้องไว้ในผ้าครับเขาก็ไม่ได้รับบันเฑิตใดๆเลยและเมื่อพระเยซู ก, กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็งมุ่งจะทรงพิพากษาแต่ละคนเกี่ยวกับวิธีการใช้ทักษะความสามารถของประธานโอกาสที่พระเจ้าให้กับเขาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าพูดง่ายว่าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่เสียชาติเกิดครับเกิดมาแล้วเนี่ยไม่เสียของนะครับพี่น้องครับปัจจุบันในปัจจุบันนี้นะครับ แผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้พระเยซูหรือพระเจ้าก็ยังทอไไดพระเนตดูเรานะครับว่าเราได้ใช้โอกาสต่างๆที่เรามีอยู่อย่างไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนร้องเพลงไพร่ครับบางคนก็อาจจะมีของประทานในการติดต่อกับผู้อื่นนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ได้ใช้ของประทานนั่นเลยนะครับเราคงจาได้นะครับว่า ทำเทศนาลบนภูเขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรู้สึกบวกฟ้องฝ่ายวิญญาณนะครับผู้นั้นเป็นสุขกใช่ไหมครับบรรดาคนที่ขาดความเชื่อและไม่เกิดผลในการรับใช้ก็จะกลายเป็นคนที่บกพร่องฝ่ายวิญญาณนะครับพวกเขารู้สึกคล้ายกับว่าพระเจ้าไม่เคยตอบคำอธิษฐานของเขาเขาไม่มีสันติสุขในจิตใจของเขาเขาไม่มีความอิ่มเอมิบใจเพียงกับถ้าเร า, าพิจารณาบางทีตอนนี้ให้ดีเราจะเห็นบทเรียนมากมาย ในการเป็นผู้อารักขาครับนะครับและเราก็เห็นบทเรียนมากมายในเรื่องของพระคุณของพระเจ้าที่แสนชื่นใจก็คือว่าพระเจ้านั้นได้ประทานนะครับของประทานซึ่งเป็นพระคุณครับให้กับเราความสามารถต่างๆนะครับที่คนธรรมดาทั่วไปได้ว่าพรสวรรค์แน่นอนครับนั่นคือพรที่มาจากสวรรค์ครับนั่นเป็นของประทานนั่นเป็นความสามารถนั่นเป็นสติปัญญาที่พระเจ้ามอบให้กับเราแต่เราต้องใช้ของประทานนะครับ และสิ่งที่สำคัญที่สุดพระเจ้าประทานโอกสาสให้กับเราจังหวะที่เหมาะเหมาะนะครับจังหวะที่ดีโอกสาสที่ดีช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นช่วงทองเลยทีเดียวนะครับ golden period นะครับความสามารถต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราไม่ใช้โอกสาสที่เปิดอยู่เราไม่เดินนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะสูญหายไปทีละขีดน้อยแล้วก็ในที่สุดนะครับผมจะถามว่า พระเจ้าจะตัดกับเราหรือเปล่าครับว่าเจ้าเป็นท่าที่ดีเจ้าทาได้ดีมากเจ้าเป็นคนที่ชื่อสรรเรื่องบบดีคือสิ่งที่ผู้รับใช้อยากจะได้ไม่ใช่หรือครับก็คือทำชมเชยความพึงพอใจนะครับของพระเจ้าที่มองเราและชมเราว่าเจ้าเป็นท่าที่ดีและชื่อสนะครับเจ้าทำได้ดีมาก well done นะครับและเจ้าเป็นคนที่ซื่อสรเป็นท่าที่ดี ังครับอยากให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนใ น, าน่างนาที่เราที่เป็นลูกของพระเจ้าเราทำงานรับใช้พระเจ้าหลายคนเป็นผู้รับใช้นะครับบางเวลาบ้างอาจาสมัครบ้างหรือแม้กระทั่งผู้รับใช้เต็มเวลาบ้างข อ, ขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราครับอาเมน